าก็กราบบูชาปรตนตรัยากราบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนาก็กราบกะละวะหลวงพ่อกมพระอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์มัฒนาชัยนขอคะลวะเพื่อนสาธรรมิกจเจริญพรมาอยังแม่ชี อุบาสกุบาสศิกาทุกท่านก็นั่งตามปกตินกกเป็นกิจวัตรประจำวันของพวกเรานะทั้งที่อยู่ที่วัดป่าสุกโตและก็ที่มาร่วมเรียนรู้มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโต นะในช่วงในช่วงนีนะ้ซึ่งก็ถือกันใน เ, เวลาหรือสมมุตินะว่าเป็นช่วงที่ใกล้เข้าพรรษานะก็หยุดยาวสี่วันปกติหยุดยาวสี่วันนี้ก็ถ้าส่วนใหญ่นะถ้าเราเคยมีชีวิตอยู่ในสังคม นะเราก็จะหาเรื่องไปเที่ยวกันนะได้พักผ่อนะผ่อนกายผ่อนใจนะสนุกสนานนะซึ่งก็เป็นความสุขนะที่หาได้ไม่ยากแต่หลายคนนะก็ได้มีโอกาสนะมาที่วัดป่าสุขโตนะก็ถือว่าเป็นการมาพักผ่อนะผ่อนกายผ่อนใจอีกแบบหนึ่ง นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเป็นการพักผ่อนะที่จะทำให้เกิดสติปัญญานะซึ่งมันจะต่างจากการพักผ่อนที่เราเคยไปเที่ยวสวนเสเฮ ห, หาสนุกสนานนะอันนั้นเราก็ได้ความเพลิดเพลินนะได้ความสบายกายสบายใจนะชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะนะแล้วก็กลับไป เผชิญกับความสุขความทุกข์นะโดยอาจจะไม่ได้เรียนรูนะ้ความจริงของชีวิตนะไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจเพราะฉะนั้นการที่เรามาวัดป่าสุกโตในช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราได้มาพักผ่อนนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะแล้วก็ได้มาเจริญปัญญาไปด้วย ะโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นช่วงสำคัญตัวข้ามนิธรรมาได้เคยอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนอยู่เรื่องหนึ่งท่านบอกว่าวันพระเนี่ยมันน่าจะมีทุกวันนะมันไม่ใช่วันใดวันหนึ่งนะส่วนใหญ่ชาวพุทธเราก็จะไปทำดีเอาตอนวันพระนะถ้าไม่ใช่วันพระเราก็ปล่อยชีวิตกันไปเรื่อยๆเปื่อยๆ ท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยมันต้องมีวันพระทุกวันนะก็คือทําดีทุกวันทีนี้การทําดีนะหรือว่าการทําบุญนะโดยส่วนใหญนะ่เราก็จะรู้จักกันแต่การทําบุญให้ทานการรักษาศีลนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ท <c oughs> ี่ทุกๆปนะีเราก็มีการเตรียม เอาเครื่องของต่างๆนะไปถวายให้กับพระสงฆนะ์เราได้ทำบุญสุนทานก็จิตใจสบายมีความสุขเนะซ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญที่เกิดจากการให้เป็นบุญที่เกิด จ, นะจากการทําทานเนะซ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือแม้แต่การที่เรามาทำวัด นะไหว้พระสดมนในตอนเช้าวันนี้นะถ้าเราสังเกต ด, ดูจิตใจของเรานะจิตใจเราเป็นปกตินะจิตใจเราแช่มชื่นสดชื่นเบิกบานแจ่มใสนะยกเว้นนะบางคนที่อาจจะเพิ่งมาวันมาเป็นครั้งแรกนะอาจจะยังซึมซมเเส้าๆอยู่ยังง่วงเหงาเหนอนอยูนะ่ตอนนี้ก็ให้ตื่นขึ้น นะปลุกตัวเองให้ตื่นนะอย่าไปมัวซึมเศร้าอยู่ง่วงเหงาเหาะนอนอยู่นะชาวพุทธเนี่ยคำว่าพุทธนี่คือตื่นรู้เบิกบานท่านยังง่วงเหงาเศร้าซึมยังอึงคุมอยู่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นไสยศาสตร์นะเป็นกลุ่มพวกไสยศาสตร์นะไม่ใชใ่ไม่ใช่พุทธศาสตร์นะไม่ใช่ชาวพุทธนะชาวพุทธที่แท้จริงต้องตื่น ตื่นขึ้นม า, นาไหวพระสวดมนต์ได้น้อมระ ล, ลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พิจารณาพระสูตรต่างๆาซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เราเกิดปัญญ า, าเป็นปัญญาที่ได้จากการสาธยายมนต์เป็นปัญญาที่เกิดจากการจดจำเมื่อจดจำแล้วเราก็าไปประพฤติปฏิบัติ นะปัญญาที่เกิดจากการจํเนี่ยนะมันยังใช้ไม่ได้เต็มที่นะแต่ถ้าเราเอาไปปฏิบัตินะเอาไปลองดูนะไปปฏิบัติ ด, ดูซิว่ามันเป็นอย่างไงนะแล้วเราก็จะเป็นประสบการณ์ติดตัวนะตรงนี้จะเป็นปัญญาจริงๆเป็นปัญญาที่แท้จริงนะที่เราจะเอาไปใช้ได้การมาวัดป่าสุกโตของแต่ละท่านเนี่ยก็คงจะมีจุดมุ่งหมาย ที่จะมาเรียนรู้เรื่องนี้คงจะไม่มีใครหรอกที่จะมาเพื่อที่จะมาพักผ่อนนอนหลับกินอิ่มนอนนอนหลับแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอยู่สบายๆเพราะว่าที่นี่อากาศดีเงียบสงบถ้าเรามาโดยมีวัตถุประสงค์อย่างนั้นเนี่ยก็น่าเสียดายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้เตรียมตัวนะที่จะบวชนะเข้าพรรษาสามเดือนนี้นะสมเดือนนี้นะก็หวังว่าท่านจะได้ตั้งใจนะในการที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะภารกิจสำคัญของการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะโดยตัวโดยส่วนตัวของกระผมนิธมาเองนะคิดว่า ภารกิจสำคัญที่เราเกิดมาเนี่ยก็คือการที่เรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจที่มันมีความทุกข์และก็จะหาทางที่จะแก้ทุกข์หรือว่าหาทางที่จะทำอย่างไราที่จะให้มันถึงที่สุดของทุกข์ได้อันนี้น่าจะเป็นเป้าหมายาของการเกิดมาเป็นมนุษย์และโดยเฉพาะย่างยิ่งได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเป็นเป้าหมายสำคัญของชาวพุทธทุกคนเราคง <c oughs> ไม่ได้เกิดมานะเพื่อที่จ ะ, สะแสวงหาความสุขสนุกสนานนะกันไปวันวันหนึ่งนะเพราะความสุขสนุกสนานเนี่ยนะทุกคนก็คงได้เคยสัมผัสเคยได้สัมผัสได้เรียนรูนะ้แล้วก็เห็นมาแล้วนะว่าความสุขจริงๆเนี่ย นะมันแปลเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่นะและยิ่งจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> คนที่แสวงหาความสุขเนี่ยนะก็จะมีความสุขในระดับพื้น้ น, น, นะแล้วก็พยายามแสวงหาความสุขในน้าหนักที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยนะกับการที่จะไปวิ่งหาความสุขควายคว้าหาความสุข นะจากการกินการเที่ยวการเล่นหรือนะแม้แต่การติดต่อคบหาสมาคมนะกับเพื่อนฝูงนะกับสังคมกับข่าวสารต่างๆ ต, ต, นะตรงนี้ เ, นเป็นสิ่งที่เราได้สัมผัสกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ในความสุขนั้นนะนะบางทีมันก็สมปรารถนานะบางทีมันก็ไม่สมปรารถนา นะเราลองมาพิจารณาดูในแต่ละวันในแต่ละนาะทีในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันมีสุขสักเท่าไหร่นะมันมีทุขทกข์ทักักสักเท่าไหร่นะระหว่างทุกข์กับสุขอันไหนมันมากกว่ากันนะถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยนะสุขมันน้อยมากนะแต่ทุกข์มันเยอะจริงๆเมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราทำยังไงนะหลายคนนะก็มองไปข้างนอก นะอย่างเช่นช่วงหยุด4วันเนี่ยโอ้โหทำงานเหนื่อยทํางานหนักเครียดนะหรือว่าชีวิตครอบครัวก็หนักมากก็ต้องไปเที่ยวนะไปเที่ยวไปกินไปเล่นนะไปดูหนังฟังเพลงนะซึ่งตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ทําให้มันเพลินไปนะลืมลืมไม่เรื่องความทุกข์ไปลืมลืมไม่เรื่องความหนักอกหนักใจไปในะช่วงครั้งชุกข่าวานะซึ่งตรงนั้นเนี่ย ก็เป็นวิธีการที่จะบรรเทาผ่อนคลายนะความหนักอกหนักใจที่มีอยู่ในจิตใจแต่ตรงนั้นนะมันไม่ใช่การแก้ปัญหามันเป็นการหนนะีส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตของคนที่มีความทุกขนะ์แล้วไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะส่วนใหญ่ก็จะวิ่งหนีนะวิ่งหนีความทุกขนะ์ไม่พยายามเข้ามาเผชิญหน้าหรือไม่พยายามเข้ามาเรียนรู้ แล้วพอรู้สึกกลัวกลัวกับความทุกข์นะซึ่งจริงๆในความทุกข์เนี่ยมันก็เป็นความจริงนะที่มันจะปรากฏที่มันจะแสดงแตนะ่ที่จะมาผ่านเข้ามาในจิตใจของเราอยู่ทุกมเมื่อเชื่อวันเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าชีวิตนี้มีความทุกข์เราก็ไม่ต้องไปปฏิเสธนะเมื่อมันมีความทุกข์ ธรรมชาติมันก็มีอันนึงว่าเมื่อมีทุกข์มันก็ไม่มีทุกข์ได้เหมือนกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มาเรียนรู้เราไม่มาเผชิญหน้ากับความทุกข์เราก็จะหาทางออกไม่ได้การที่เรามีความทุกข์และเราก็ไปหาสิ่งแวดล้อมข้างนอกนะไม่ว่าจะเป็นวัตถุเป็นบุคคลเป็นธรรมชาติเป็นบรรยากาศนะเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกตัวเราเนี่ย มันก็เลยทำให้เราเนี่ยหมดโอกาสนะหรืเสียโอกาสนะที่จะได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตนะความจริงของชีวิตอันแรกเลยนะที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือความทุกข์นั่นเองความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนาเป็นสิ่งที่เราอยากให้มันอยู่ไกลๆนะแล้วเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงพยายามจะหลบหนีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา ในจิตใจของเราได้สักครั้งหนึ่งแต่เมื่อไดก็ตามนะที่เรากลับมาเผชิญกับความทุกข์เรียนรู้ความทุกข์เราก็จะมีทางออกทีนี้การที่เราจะเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้เนี่ยนะหลายคนนะก็เริ่มจากการอ่านหนังสือบ้างจากการได้ยินได้ฟังบ้างนะก็เกิดความเข้าใจนะเกิดความเห็น ในลักษณะของการจดจำแล้วก็คิดไตรตรองว่าเออมันเป็นเหตุเป็นผลเออมันจริงนะนะซึ่งตรงนีนะ้ก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนะยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเมื่อเราได้อ่านได้ยินได้ฟังแล้วนะเราก็ต้องลองเอาไปปฏิบัตินะเหมือนอย่างกับที่เรามาวัดป่าสุขโตเนี่ยนะหลวงพ่อคำเขียนก็ดีพระอาจารย์สรงศิลก็ดีหรือครูบาอาจารย์หลายท่าน นะก็ได้พูดได้แนะนำได้ชักชวนนะ ท, ชทุกเช้าทุกเย็นนะซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนที่เราเข้าใจนะเราก็ไปไปฏิบัติส่วนที่ยังไม่เข้าใจนะก็ฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆทําบ่อยๆการเจริญสติการที่จะมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตนั้น ไม่ใช่เรื่องยากนะเป็นเรื่องที่ตรงๆ ต, ตรงไปตรงมาแต่ที่มันยุ่งยากเนี่ยเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการเรียนรู้อะไรก็ตามเรามักใช้ความคิดหาเหตุหาผลโดยเฉพาะคนที่ผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาซึ่งเราเอามาจากตะวันตกการศึกษาของตะวันตกเนี่ยจะเน้นให้เราใช้ความคิด หาเหตุหาผลจริงหรือหรือไม่จริงมีเหตุมีผลมันจะใช้ได้หรือเปล่าเรามาเสียเวลากับเรื่องความคิดเนี่ยมากเราไม่ปลงใจลงไปสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมันเออจริงนะเออใช่นะแต่เราก็ยังไม่ลงมือทเสักทีหนึ่งแต่เมื่อไรเมื่อใดก็ตามนะเราทิ้งความคิดไอ้ความสงสัยทั้งหลายเนี่ยทิ้งไปให้หมดเลย นะและก็ทําเป็นแบบเหมือนคนงู้งๆงคนหนึ่งนะเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปฏิบัติทิ้งเหตุผลทั้งหมดทิ้งความคิดทั้งหมดนะแล้วลงมือปฏิบัติสมัยเมื่อเออตมาได้มีโอกาสเออไปเรียนรู้กับหลวงพ่อเทียนเนี่ยได้มีข้อสังเกตอันหนึ่งเวลาท่านไปสอนชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านชาวชนบทชาวไร่ชาวนาเนี่ย เขาจะมีศรัทธาในในในครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกให้ทำอะไรเขาทำเลยเขาไม่ต้องถามเลยว่าทำไมเพื่ออะไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เขาเข้าใจธรรมะได้เร็วแต่คนที่มีการศึกษามากๆกเนี่ยกว่าจะทําได้เนี่ยต้องเสียเวลานานทำไปทำไมยกมือนี่มันจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่านะทำไปแล้วมันจะเกิดผลอะไรคือเรา อยากจะได้คำตอบก่อนนะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เนิ่นช้านะบางทีก็ทำให้ชักช้าแนะบางทีก็ทำให้เราไม่ไม่ลงมือทำสักทีหนึ่งแม้ว่าจะมาวัดป่าสุกโตกี่วันแล้วก็ตามนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราเสียเวลาไปเราทำเป็นแบบชาวบ้านเลยนะปฏิบัติทําแบบชาวบ้านที่เขาไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะการเรียนรู้ ชีวิตจิตใจของเราหรือร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันต้องอาศัยความความซื่ อ, อตรงๆไม่ต้องใช้ความคิดนะใช้การสัมผัสลงไปตรงๆแต่อย่างทีเ่เราได้เรียนรู้กันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็จะเน้นนะตรงที่ใช้การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแล้วก็ลืมตายนะไม่หลับตา ซึ่งตรงนี้จะแตกต่างไปจากการเจริญสตนะิหรือการทำกรรมฐานนะทั่วๆไปในประเทศไทยหรือในโลกก็ได้นะส่วนใหญ่การทำกรรมฐานเนี่ยเรามาักจะเน้นที่ให้นั่งหลับตานิ่งๆ น, นะให้ส ง, งบนะตรงนั้นเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งตัวข้ผมนิทธมาเองนะก็เคยได้ฝึกนะแบบอนาปนาสติ นะก็ได้สัมผัสนะกับความสงบนะได้พบกับปิตตนะิซึ่งตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะไม่ใช่มาสิ่งไม่ดีเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ย <c oughs> เราไปติดที่ความสงบเราไปหลงจมอยู่ในอาการความสงบแล้วเราคิดว่าอันนั้ น, นคือเป้าหมายอันนั้นคือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมหรือเป็นจุดหมายของการทํากรรมฐาน นะซึ่งตรงนั้นจริงๆเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นเองถ้าเราไปศึกษาพุทธประวัติสมัยที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตนถะไปเรียนกับอาลาลาดาบทอุทุกขาบทนะซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในสมัยนั้นนะก็สอนให้สงบอย่างนี้แหละนะให้สงบให้นิ่งนะเรามีความทุกข์ <c oughs> มามาเพราะฉะนั้นเรามานั่งสงบนิ่งๆนะซึ่งตรงนั้น เจ้าใจถสาก็ได้เรียนรู้นะได้ฌานเจดฌานแนะซึ่งตรงนั้นท่านก็ยังรู้สึกไม่พอใจคำว่าไม่พอใจในที่นี้หมายถึงว่าไม่พอใจในสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้นะก็คือความสงบขณะที่เรานิ่งเราหลับตาและเราก็ไม่ได้เจริญปัญญาอะไรความสงบแบบนี้เป็นความสงบชั่วคราวในขณะที่เรานั่งหลับตา ในขณะที่เรานั่งนิ่งๆนะแต่พอเราลืมตา ม, มาเราไปทําการทํางานเราไปพบสิ่งต่างๆเนี่ยนะมีรูปมากระทบตามีเสียงมากระทบหูมีกลิ่นมากระทบจมูกนะเราก็ยังพอใจไม่พอใจอยู่นาะใจมันไม่สงบใจมันไม่ปกตินะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เจ้าใจตาเนี่ยได้ก็สังเกต นะความที่ท่านมีปัญญามากท่านก็สังเกตว่าเออนี่มันยังไม่ใช่ที่สุดของทุกเนาะนี่ยังเป็นสิ่งที่มันยังไม่ใช่จุดมุ่งหมายหรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงนะท่านก็ถามอาจารย์ว่ามีอะไรที่มากกว่านี้อีกไหมอาจารย์ก็บอกไม่มีแล้วนะซึ่งถือว่าครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นสุดยอดนะเป็นสุดยอดปรมาจารย์ในยุคนั้นนะเจ้าใจจาก็เลย ไม่พอใจในการที่จะมีความรู้เพียงแค่นี้ท่านก็เลยไปสแสวงหาเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในยุคนั้นในสมัยนั้นยังไม่มีใครค้นพบแต่ยังไม่มีใครค้นพบว่าความพ้นทุกข์นะที่เกิดจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะเจ้าชาเจิาจาจาตาก็ได้ไปไปฝึกของท่านเองนะ ซึ่งในวันวิสาขบูชาเนี่ยท่านก็ได้พบเลยนะหลังจากที่ลองผิดลองถูกมา6ปีนะทรมานร่างกายก็แล้วนะพอคิดว่ากิเลสมันอยู่ที่กายนะก็ไม่สําเร็จนะทรมานเกือบตายนะเรียกว่าท่านบอกถึงที่สุดแล้วนะไม่มีใครทำได้มากกว่าน่านี้แล้วนะมันก็ยังมีความพอใจไม่พอใจอยู่นะสุดท้ายเนี่ย ท่านก็มาสังเกตนะอาศัยอาณาปณสติก็คือลมหายใจนี่แหละนะจาได้ว่าครั้งหนึ่งสมัยเป็นกุมารนะไปวันแรกนาขวัญนะแล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นว่านะก็ไปนั่งสงบนิ่งนะแล้วก็ได้พบกับจิตใจที่ปลอดโปร่งนะมีปิติมีสุขขึ้นมานะแล้วก็พบกับจิตใจที่เป็นอิสระ นะท่านก็บอกว่าออตรงนี้สินะนะการพ้นทุกเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นที่ตรงนี้มันน่าจะเริ่มต้นที่ตรงที่จิตใจของเรานี้ไม่ใช่ไปเริ่มต้นที่สิ่งข้างนอกวัตถุภายนอกนะหรือ เ, เ็กทรมานตัวเองนะหรือแม้แต่การไปใช้ชีวิตนะตามสบายเพลิดเพลินนะเหมือนอย่างกับที่เคยเป็นนะท่านก็มาพบว่า อ๋อในปัญหาที่แท้จริงความทุกข์นี่มันเกิดขึ้นในใจนี่เนาะโดยเฉพาะความคิดที่เกิดจากเอ่อความทุกข์ที่เกิดจากความคิดนะความคิดปรุงแต่งนะที่พาให้เราเพลิดเพลินหลงไหลนะไปในสิ่งต่างต่านะทำให้เกิดความพอใจไม่พอใจนะตรงนี้ท่านก็มาสังเกตเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมา ก็ดูทั้งกระดูตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะ่ะโดยอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าสตินะด้วยความรู้สึกตัวนี้เองตัวสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นเหมือนตานในนะเป็นปัญญานะที่เราจะเข้าไปสอดส่องนะดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะมันมีความสุขมันมีความทุกข์แล้วมันมีอีกอันหนึ่งก็คือใจปกติ นะซึ่งตรงนี้ทั้งกับพบ ว, ว่าเออเนี่ยใจปกติเนะี่ยมันเป็นพื้นฐานของคนเรานะมันยังกต่ขณะที่เรานั่งอยู่ฟังเสียงอยู่เนี่ยนะใจเราปกติเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นะใจตรงเนี้ยนะเป็นที่พึ่งเป็นพื้นฐานที่แท้ จ, จริงนะหลายคนเคยได้ยินได้ฟังมานะว่าอุ้ยไม่มาละปฏิบัติธรรมกิเลสมันยังเยอะ ริงๆกิเลสมันไม่มีขณะที่เรานั่งอยู่เราบอกได้แล้วว่ากิเลสมันไม่มีแต่มันมีแต่เพียงความเคยชินที่มันจะเกิดเพราะเราไม่รู้นะเราไม่รู้เท่าทัานใจเราไม่รู้เท่าทัานความคิดนะตรงนั้นมันถึงเกิดนะมันเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวทั้งนั้นเองแต่สภาพปกติของใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราหลงลืมไปนะเราไปยินดีในสุขเราไปยินร้ายในทุก นะตรงนี้เราก็เลยไม่ปกติสัทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าช้จะได้ค้นพบนะและท่านก็ได้เอามาพูดเอามาสอนเอามาเผยแพรนะ่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆนะก็ได้สืบทอดมานะด้วยรูปแบบต่างๆหลวงพ่อเทนก็เป็นท่านหนะึ่งเมื่อ50ปีที่แล้วท่านก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันนะ แล้วสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาค้นพบว่าเออวิธีการเนี่ยนะที่จะทำให้สติที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมันฉับไวขึ้นมันตื่นขึ้นเนี่ยนะก็ได้การเคลื่อนไหวแต่ซึ่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะไม่ใช่เป็นการลบล้างหรือว่าเป็นการวิธีอื่นไม่ถูกไม่ใช่เป็นอีกวิธีการหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเหมาะกับยุคสมัยของพวกเรา เพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยต้องเคลื่อนไหวต้องทำกิจการงานต่างๆนะเราไม่ค่อยมีเวลานะที่จะมานั่งนิ่งๆหลับตานะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้นะเมื่อประมาณ50ปีร้อยปีที่แล้วสังคมเป็นสังคมกเกษตรกรรมเป็นสังคมที่ไม่เร่งรีบเป็นสังคมที่ไม่รีบร้อนอะไรนะการทำอย่างนั้นเนี่ย นะก็เหมาะมากๆนะเรามีเวลาที่จะทำได้เต็มที่นะทีนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเราเราต้องเคลื่อนไหวเราต้องทำงานนะเราต้องไปนู่นไปนีนะ่หลายคนก็รู้สึกเอ๊ะเราไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติเราไม่มีเวลาที่จะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราแต่พอเรามาทำวิธีนี้เนี่ยเรามาเคลื่อนไหวเนี่ยโดยไม่ต้องหลับตาลืมตาเพราะชีวิตของเราลืมตานะ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เหมาะนะเหมาะ ก, กับการใช้ชีวิตเหมาะ ก, กับการทำการทำงานนะตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นวิธีการนี้เนี่ยจึงเป็นรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งทีนี้การที่เราจะไปเรียนรู้นะเรื่องจิตใจนะซึ่งเป็นนามธรรมนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปจับต้องด้วยมือด้วยตานะแต่ว่าธรรมชาติเขาก็มีเครื่องมืออันนึง สําสหรับที่จะเรียนรู้ได้ก็คือสติหรือความรู้สึกตัวาภาษาไทยเราเรียกว่าความรู้สึกตัวภาษาบาลีหรือภาษาศาสนาเรียกว่าสติสัมปชัญญะะซึ่งเมื่อวานท่านจันทองิสินก็ได้พูดไปแล้วพิสูจน์ที่บทใหม่เนี่ยธรรมะหมดแรกเลยที่จะต้องเรียนรู้ก็คือสติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวก็เป็นนามธรรมเหมือนกัน นะ่เป็นสิ่งที่เราไม่ใช่ไม่สามารถจะไปนึกคิดนาะหรือจะไปสร้างไปจับขึ้นมานะแต่เราจะอาศัยสิ่งที่มันเชื่อมต่อนะคนเรามันมีกายมันมีใจกายใจมันอยู่ติดกันเราจะไปเรียนรู้ใจตรงๆเนี่ยมันยากมันไม่มีตัวตนมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เราจะเรียนรู้ใจผ่านกาย กายของเราเป็นดุนเป็นก้อนถ้าอยู่นิ่งๆมันก็ไม่รู้อะไรเมื่อเรามีการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเกิดการรับรู้ขึ้นมาการปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นสติสา ม, มัญเป็นสติตามสัญชาตญาณเนี่ยก็ได้การเคลื่อนไหวซึ่งรูปแบบของการเคลื่อนไหวที่หลวงพ่อเทียนได้นำเสนอเนี่ยก็เป็นรูปแบบของการที่เราจะปลุกสติ โดยอาศัยกายนะเริ่มจากกายเคลื่อนไหวกายเนี่ยเป็นของที่หยาบเป็นของที่เห็นได้ง่ายนะเราเริ่มเรียกว่าเริ่มต้นจากสิ่งที่ง่ายๆนะก็คือกายเคลื่อนไหวการยกมือ14จังหวะนะแต่ละจังหวะเนี่ยให้เรารู้แ ร, แรกเนี่ยให้เจตนาที่จะรู้อย่าไปยกฟรีๆอย่าไปยกไปเรื่อยเปื่อยอย่าไปล บ, บแบบอัตโนมัติ นะคือมีเจตนาที่จะรู้พลิกขึ้นพลิกมือก็รู้นะยกมือขึ้นก็รู้หยุดก็รู้รู้อะไรรู้การเคลื่อนไหวไม่ต้องรู้อะไรมากกว่านั้นไม่ต้องไปคิดรู้ด้วยนะเพียงแค่รู้รู้สึกกับการเคลื่อนการไหวนาของมือที่ยกของมือที่หยุดแรกแรกเนี่ยก็ให้รู้ นะจตนาที่จะรู้บางทีมันเผลอไปบ้างก็ช่างมันแล้วก็รู้ขึ้นใหม่นะความรู้สึกตัวเนี่ยให้เป็นความรู้สึกสดๆอยู่เรื่อยๆนะรู้บ่อยๆนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย <c oughs> ตั้งแต่เราเกิดมานะจนเรามีอายุปูนนี้เนี่ยเราเผลอหรือเราหลงมากกว่ารู้นะใจเนี่ยมันคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะเราเพลินไปกับสิ่งที่เป็นความสุข นะสนุกสนานนะเราลืมตัวไปมากมายนะบางครั้งมันก็รู้ตัวบ้างบางครั้งมันก็ลืมตัวบ้างเพระาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามาทำใหม่ๆเนี่ยนะมันก็จะรู้สึกยากสักหน่อยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อาจจะยังไม่แน่ใจคนที่ยังไม่มีศรัทธาจริงๆเนี่ยนะมันยกไม่ขึ้นเหมือนกันนะมีบางคนน ะ, ะยกไม่ขึ้นนะจริงๆมันก็ <c oughs> ที่ยกไม่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่ามือมันหนักหรก ใจมันหนักมันหนักเพราะว่ามันยังไม่แน่ใจมันยังไม่มีศรัทธาแล้วมันยกไม่ขึ้นนะใจมันหนักเพราะฉะนั้นต้องฝืนหน่อยนะคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยคนที่ยังไม่รู้อะไรเลยลต้องฝืนนะฝืนที่จะยกนะแล้วก็มีเจตนาที่จะรูนะ้ที่จะรู้การเคลื่อนการไหวและสิ่งสําคัญก็คือมีความตั้งใจมีความเพียร นะแรกแรกมันยังไม่รู้อะไรหรอกไม่เป็นไรทำไปบ่อยๆทำไปเรื่อยๆมีเวลาที่อยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะขอให้ทำเรื่องนี้อย่าไปทำเรื่องอื่นอาตมาสังเกตคนที่มาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะบางทีเนี่ยนะเข้ามามันก็ไม่ตรงเป้าหมายที่เราตั้งไวน้นะบางคนเข้ามาก็อ่าไปล้างสารพิษแล้วจะมาเจ็ดวันที่ไหนได้อไปล้างสารพิษแล้เจ็ดวัน เดิมตั้งใจว่าจะมาเจริญสตินะะบางทีก็มาบางทีมาก็อะไรอ่ ะ, อะมาเจอเพื่อนใหม่ชวนพูดชวนคุยได้เพื่อนใหม่กลับไปนะเดิมจะตั้งใจมาเจริญสติเพราะนั่นตรงนี้เสียดายนะถ้าเราตั้งใจมาเจริญสตินะก็ขอให้ตั้งใจทำ <c oughs> การยกม้ายกมือเนี่ย <c oughs> ถ้าดูแล้วมันอาจจะไม่สวยงามไม่เหมือนกับเรานั่งนิ่งๆหลับตาโอ้ท่าทางนะแต่วิธีนี้เนี่ย มันจะเป็นวิธีการที่ง่ายสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ถึงแม้แต่คนเก่าก็ตามอย่าประมาทนะการยกมือให้รู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวนะทําบ่อยๆ บ, บางทีเราทําไปทํามาทําไปทํามามันเมื่อยมันปวดนะก็ให้รู้ความปวดความเมื่อยเนี่ยก็เป็นธรรมะเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่มันแสดงนะที่จะให้เราเรียนรู้ ความปวดความเมื่อยนั้นก็เป็นธรรมดาของร่างกายเรานั่งนานๆมันก็ปวดก็เมื่อยทีนี้ <c oughs> ผู้ที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยก็จะรู้สึกโอ้โหไม่ไหวแล้วนะเราแย่แน่เลยมันคิดไปแล้วะจิตใจมันคิดไปแล้วมันเกิดการปรุงแต่งละซึ่งตรงนี้ก็ให้สังเกตนะอย่าพิ่งเปลี่ยนมันปวดมันไม่ก็อย่าพิ่งเปลี่ยนลองดูนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเป็นทุกข์ประจําสังขาร นะลองดูให้มันขอเราสัก2ครั้งหรือ3ครั้งแล้วค่อยเปลี่ยนแต่เปลี่ยนด้วยความรู้สึกตัวอย่าเปลี่ยนเพราะว่ามันปวดแล้วเปลี่ย น, นทันทีตรงนั้นเราจะพลาดโอกาสในการที่เราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายนะที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราปวดเมื่อยมันส่งผลต่อจิตใจนะทำให้เราไม่พอใจขึ้นมามันหงุดหงิดขึ้นมานั่นนะตรงนั้นนะ่ะเป็นจุดสําคัญที่เราจะได้เรียนรู้ นะเพราะนั้นเราสามารถจะเรียนรู้ธรรมะได้ทุกขณะเลยนะถ้าเรามีปัญญาที่แหลมคมเฉียบคมซึ่งปัญญาที่แหลมคมเฉียบคมนี้มันก็เกิดจากสตินะ่นะเกิดจากความรู้สตวนั่นแหละที่เราทำให้บ่อยๆทำให้เรื่อยๆนะทีนี้นอกจากการที่เรานั่งสร้างจังหวะแล้วนะก็การเดินจงกรมนะก็เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถก็เหมือนกัน เราใช้หลักเหมือนกันก็คือเรารู้สึกกับการเคลื่อนนะการยกเท้าการเคลื่อนเท้าการสัมผัสพื้นให้มีความรู้สึก <c oughs> เพียงแค่รู้สึกนะไม่ต้องไปคิดมากกว่านั้นไม่ต้องไปรู้มากกว่านั้นความรู้สึกตัวเนี่ยนะจากความรู้สึกสามัญสติสามัญเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นมหาสติสติใหญ่ เขาเรียกว่าสติปทา น, นาเป็นสติที่จะเข้าไปเรียนรู้เข้าไปมองเข้าไปดูความจริงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจโดยเฉพาะยิ่งยิ่งความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็ น, นหรือความสบายความไม่สบายของร่างกายาตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มได้เรียนรู้จากกายาแล้วมันก็เข้าไปเรียนรู้สิ่งที่เป็นนามธรรม ที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายและเกิดขึ้นกับจิตใจของเรานะทีนี้ถ้าเราทําไปบ่อยๆทําไปเรื่อยๆจนเกิดความชํานาญชํานาญที่จะกลับมารู้สึกตัวชํานาญที่จะรู้สึกตัวได้บ่อยๆเนี่ยไอ้สติตัวนี้เนี่ยมันจะพาให้เราเข้าไปเห็นความนึกคิดที่มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่ก่อนเนี่ยจริงๆความคิดมันก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะ แม้แต่บางช่วงบางเวลามา จ, จะไม่คิดบ้างแต่เราทำการทำงานเราสนใจสิ่งข้างนอกเราก็เลยไม่ได้มาดูเพราะนั้นชีวิตของคนที่ไม่ได้ฝึกสติไม่ได้เจริญสติเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่จะโดนความคิดเนี่ยมันสั่งให้ทำให้ใหนุ่นสั่งให้ทำให้นี่ซึ่งบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวบางอย่างเราทำไปโดยที่เราไม่รู้ตัวทำผิดไปแล้วแลวมารู้ตัวทีหลัง นะแล้วก็มาโทษเัวงว่าโอ้เราไม่น่าทําเลยแนะตรงนี้เพราะว่าสติมันไม่ทันความคิดเพราะฉะนั้นการเจริญสตินะให้ทําบ่อยๆทําเรื่อยๆนะมันก็จะแหลมคมแล้วมันก็จะเท่าทันกับความคิดเมื่อมันเท่าทันกับความคิดแล้วเนี่ยปัญญามันจะมาพร้อมกันมันจะพิจารณาใคร้ควรว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําความคิดนี้ควรหรือไม่ควรนะมันจะทักท้วง นาะมันจะไม่ทำอะไรไปตามความคิดปรุงแต่งหรือทำไปตามอารมณนะ์ที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นนามธรรมาอีกเหมือนกันเป็นนามธรรมา ท, ที่จะอาศัยความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะ เ, เป็นตัวตรวจสอบเป็นตัวยับยั้งเป็นตัวกั้นกลองนะก่อนที่เราจะพูดนะก่อนที่เราจะทำนะหรือก่อนที่เราจะคิดนะในสิ่งต่าง โดยเฉพาะยังย่ยงความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะก็เรียกว่ า, าหลวงพ่อคาเขียนใช้คาว่าลักคิดนะไอความคิดตรงเนี้ยโอ้โหมันมีเยอะแยะมากนะมันจุกจิกจิ ก, จกนะซึ่งหลายคนนะก็มีความรู้สึกลำคาญไม่อยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันมีนะหรือบางคนเนี่ยนอนไม่หลับก็เพราะไอความคิดชนิดนี้แหละแตนะ่ถ้าเรามาทาความรู้สึกตัวมาเจริญสติบ่อยๆตรงนี้นะ จะทำให้เรารู้นะรู้คนกตรงนี้รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งเหล่านี้เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยมันจะอ่อนกำลังแต่ก่อนเนี่ยที่เราไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันมีกำลังมันมีอิทธิพลกับเรามากนะตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับมันได้เราไม่มีเครื่องมือนะ่ที่จะไปตอกก่อนกับมันแต่เมื่อเรามีความรู้สึกตัวแล้วนี่แหละ คืมือที่จะต่อกอนกับความคิดซึ่งเป็ น, นกลไกธรรมชาตินะเป็ น, นกลไกธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาใหม่เลยนะเราไม่ได้สร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาเลยนะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราพัฒนาพัฒนาตรงกับคาว่าภาวนานะภาวนาหรือพัฒนาพัฒนาความรู้สึกตัวสามัที่มีอยู่แล้วให้มันมีความฉับไวขึ้น ให้มันกลับมาเข้าไปดูในตัวเข้าไปดูในใจแต่ก่อนความรู้สึกตัวหรือสติเรามองไปข้างนอกเราใช้ไปข้างนอกจะเป็นส่วนใหญ่นะต่อไปนี้เรากลับเข้ามาดูที่ตัวเรากลับมาดูที่กายที่ใจของเรานะเราก็จะพบปรากฏการ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกบ้างเดี๋ยวเป็นปกติบ้างนะมันแปลเปลี่ยนกันไป เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับบัญชาไปสั่งการให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเกิดการปล่อยวางเองเราไม่ต้องไปบอกว่าให้ปล่อยวางนะให้ใจเป็นกลางนะให้วางใจเป็นกลางนะอันนั้นเป็นเพียงแต่คำพูดเป็นเพียงแต่ความคิดแต่จ า, จากการเจริญสติจากการเห็นความจริงของความที่สิ่งต่างต่างที่เกิดขึ้นภายในของเราเนี่ย มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเราเห็นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดการปล่อยวางเองตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยเขาจะทำหน้าที่อของเขาเราไม่ได้ไปทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนที่เรียนรู้ธรรมะเนี่ยนะไม่ได้เข้าไปทำอะไรเลยเพียงแต่เราสร้างเหตุสร้างเหตุก็คือการที่เรามาเจริญสตนะิการที่มาทำความรู้สึกตัว บ, บ่อยๆ ตัว น, นี้เขาจะไปทําหน้าที่ของเขานะเขาจะทําให้เกิดปัญญาเมื่อเรามีปัญญาแล้วนะเราก็จะเกิดการปล่อยวางเมื่อเกิดการปล่อยวางแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใจมันก็คืนสู่ความเป็นปกติใจมันก็คืนสู่ความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเขาที่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดมานะแล้วก็รักษาให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ที่เราไม่บ้านะที่เราไม่คลั่ง เราไม่เสียสติเนี่ยนะอย่างที่หลายที่บางคนเป็นเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ตัวความปกตินี่แหละนะที่มันยังรักษาจิตใจของเราอยู่เพระาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานะได้มากับคืนสู่ความเป็นปกติเรียกว่าคืนสู่ความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเราเมื่อเราสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้บ่อยๆ อ, อย่างนี้ เราก็เจตเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยนะมันเหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยเดี๋ยวมันมีมืดเดี๋ยวมันมีสว่างเดี๋ยวมันมีร้อนเดี๋ยวมันมีเย็นนะเดี๋ยวมันมีสิ่งที่แปลเปลี่ยนไปความคิดปรุงแต่งต่างๆมันก็แปลเปลี่ยนไปมันไม่คงที่มันไม่คงตัวสิ่งที่เป็นความสุขความทุกข์ก็แปลเปลี่ยนไปนะเหมือนสายลมแสงแดดนะเพราะนั้นเราเนี่ย ก็เป็นธรรมชาตินะเราก็เป็นส่วนหนึ่งไม่เรียกว่าส่วนหนึ่งอะเราเป็นธรรมชาติอันหะนึ่งนะเราเป็นธรรมชาติเราเหมือนธรรมชาตินะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เรามีชีวิตนะที่เป็นปกติสุขนะเป็นชีวิตที่มีความสุขที่ไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนนะเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในในตัวของเรานะแต่ก็ไม่ได้หมายกาว่า โอ้พอเรามีความสุขอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องไปยุ่งกับโลกแล้วไม่ใช่นะเราก็ยังมีชีวิตอยู่เป็นปกตินะเราก็ยังทําการนางานเรายังทําหน้าที่ของเราตามปกติแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะทําด้วยสติสัมปชัญญะมันจะไม่ได้ทําไปด้วยอารมณ์นะหรือไม่ได้ทําไปด้วยความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆแต่ไม่ได้หมายก่วาว การมาเจริญสติและจะทำให้คนเป็นคนที่ไม่มีความคิดนะแต่จะมีความคิดที่สร้างสรรค์นั้นความคิดมันมีสองอย่างนะความคิดที่เราเจตนาหรือตั้งใจคิดอันนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่เราต้องใช้กับการกับงานนะตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ <c oughs> เราได้ใช้ความคิดตรงนี้อย่างเต็มที่ความคิดที่เราไม่ตั้งใจไม่เจตนาเนี่ยมันจะมีน้อยลง เรือมันจะมีอิทธิพลกับเราน้อยลงแำให้ความคิดของเราก็จะแหลมคมขึ้นงานที่เราทำก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมามันจะเกิดผลกับงานขึ้นมาอย่างเต็มที่บริบูรณ์ใช้เป็นความคิดที่เป็นปัญญานะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นไดนะ้จากการที่เราเจริญสตนะิเพียงแค่มารู้สึกตัวเท่านั้นเองไม่น่าเชื่อเลยว่า ทำอย่างนี้อย่างเดียวแต่ทำบ่อยๆนะทำเรื่อยๆไม่ต้องทำอย่างอื่นมากกว่านี้เลยนะแล้วเดี๋ยวมันจะพาไปเองตัวผมนี่จมาเองได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือของอาจารย์พุทธทาสนะเรื่องโพธิปัจจะธรรมประยุกนะท่านก็พูดไว้ชัดเลยสติปัฏฐานสนะี่เนี่ยเป็นเบื้องต้นและเป็นสิ่งที่จะต้อง <c oughs> เป็นเป็นสิ่งที่จะต้องทำส่วนธรรมะหมวดอื่นๆเนี่ยจะเป็นตัวประกอบ นะเป็นตัวประกอบเป็นตัวเสริมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารยนะ์ได้ยืนยันนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์กันละนะเราอย่าเพิ่งเชื่อเต็มที่พิสูจน์ดูทีนี้ <c oughs> คนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะนะบางทีมันก็จะท้อนะมันจะเกิดความ เ, าเบื่อหน่ายนะเกิดความฟุ้งซ่านตรงนี้ก็เป็นธรรมดานะ เขาเรียกว่าเป็นนิวรณเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็พยายามผ่า น, นอย่าไปเบื่อซะ ก, ก่อ น, นแต่มาได้สังเกตเห็นเหมือนกั น, นมีคนที่มาใหม่ๆไม่มีเพื่อนไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีครูบาอาจารย์มาวันสองวันแรกก็ถอยและเรื่อยงพระที่บทใหม่บางทีตั้งใจจะมาปฏิบัติแต่ปฏิบัติสักวันสองวันเจอกับความฟุ้งซ่านเจอกับความเบื่อก็อกถอยแล้ว นะก็ไปหางานทำไปพูดไปคุยนะซึ่งตรงนี้ก็เสียดายนะเสียดายเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกเจริญสติเนี่ยด่านแรกเนี่ยที่มันจะเจอก็คือสิ่งที่เราเรียกว่านิวนรืออุปสัสรกนะถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับมารมารที่พยายามมา ก, กันไม่ให้เจ้าใจจะออกบวชนะหรือไม่ให้ตัดสรู้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะยอมแพ้มาร น, นะเราพยายามฝืนพยายามที่จะสู้กับมาร นะด้วยอาศัยความรู้สึกตัวและอาศัยกัลยาณมิตรนะครูบาอาจารย์เข้ามาช่วยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยากจะชวนพวกเราเนะมาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะภารกิจเริ่มแรกภารกิจสําคัญคือการเจริญสติเรื่องอื่นนี่เป็นเรื่องรองไปเลยนะอย่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นทําเรื่องนี้แล้วเราจะไม่นึกเสียใจว่าโอ้ครั้งหนึ่งเราได้มาใช้ชีวิตที่นี่ แต่เราใช้เวลาไปกับเรื่องอื่น น, น่าเสียดายนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนชักชวนพวกเร า, าไม่ว่าจะมาอยู่กี่วันก็ตามาจะสามวันห้าวัน7จวันหรืออยู่ในพรรษ า, าก็ขอให้ทาเรื่องนีน้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้เวลากับเรื่องนี้ให้เต็มที่ที่สุด เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องลองไปนะตรงนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่เกิดมาครั้งหนึ่งนะได้เป็นมนุษย์ซึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากมากและได้มาพบพระพุทธศาสนานะได้มาฟังคำสอนคำพูดนะที่ปฏิบัติได้จริงทาได้จริงแล้วก็ไม่ได้ยากด้วยนะทำได้ง่ายๆเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องมาพิสูจน์มาลองดูนะ ก็ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขอสรุปนะว่าการเจริญสติเนี่ยนะโดยเฉพาะการเจริญสตนะิกับการเคลื่อนไหวนั้นนะให้เรามีความรู้สึกตัวนะกับกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆทำตรงนี้ให้มีสติที่กายอยู่ทุกเมือ่อบ่อยๆใจอย่เพิ่งไปสนใจมันความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจมันทิ้งนี้หมดเลย ยังไม่ต้อไปดูมันนะเพราะว่าตรงกายเนี่ยจะเป็นฐานสําคัญนะเป็นฐานที่จะทำให้เรามีหลักนะเดี๋ยวมันจะไปเห็นความคิดเองแล้วมันจะไปทันความคิดเองนะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะก็ขอให้ทําบ่อยๆนะด้วยความเพียร น, นะด้วยความพยายามนะแล้วก็พยายามผ่านนะอารมณ์ต่างๆนะผ่านอุปสรรคต่างๆนะโดยเฉพาะนิวรณ์ความง่วงความฟุ้งซ่าน นะอันนี้ไม่ใช่เป็นจริงๆไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนให้เรามาเรียนรู้ธรรมะจริงๆก็คือสิ่งเหล่านี้แหละนะหลายคนไปเข้าใจว่าธรรมะนี่เป็นสีเป็นแสงเป็นอะไรต่างๆจริงๆก็คือกายใจของเรานี่แหละอาการของกายของใจนี่แหละเป็นธรรมะที่เราจะให้เราเรียนรู้นี่แหละเป็นเป็นวัสดุอุปกรณ์นะที่เราจะได้เรียนรู้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องใช้ความคิดนะ ก็คิดว่าพูดมาก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่แล้วในตัวเรานั่นแหละส่วนพระธรรมก็คือเสด็รทำความจริงนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจของเรา และพระสงฆ์ก็คือการที่เรามาเจริญสตนะิพระสงฆ์ก็คือตัวเรานั่นแหละนะการปฏิบัตินะที่มุ่งตรงนะที่จะเข้าไปเรียนรู้ธรรมะสัจธรรมความจริงนั่นเองนะประกอบกับความเพียรพยายามความตั้งใจความศรัทธานะของทุกท่านเนี่ยนะจงเป็นพลวัปัจจัยให้ทุกท่านนะได้ถึงที่สุดนะแห่งกองทุกข์ ได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจได้บ่อยๆในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเตือเจริญพอ